อโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานเบะกรมรทานแล้วตอนนี้ไปก็โปรดฟังปกิณกะคำสอนคำว่าปกิณกะแปลว่าเล็กๆนๆ้อยๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าคำสอนหลักใหญ่ๆเราสอนกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ทนด้ฟังธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกับพระมมกคันลาและภาษารีบุตรความจริงถ้าใช้ปัญญาสักเล็กน้อย ที่พระสารีบุตรและพระโมคคลาฟังว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระผู้ได้เจ้าทรงตัดเหตุของทำนั้นและความดับเหตุของธทำนั้นสมเด็จไประมหาสมณตรัสอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สําเร็จพระโสดาบันแล้วต่อมาพระโมคคลาฟังท้ายกรรมฐานสี่จบ ท่านเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรฟังเวทนานุปสนามหาพฏิปทานจบท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าความรู้ที่บรรดาทานายหลายได้ศึกษามาทุกอย่างทุกข้อผมเคยได้บอกไว้แล้วว่ากรรมาฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน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 เพราะในนั้นมีท่าสมถะและวิปัสนาคคกอยู่แล้วถ้าท่านทำเข้าถึงจริงๆท่านก็เป็นอรหันตุกองค์วันนี้เมื่อฟังธรรมของท่านแต่สองเราก็ลงมาเอาธรรมของท่านดังสองที่ฟังจากพระพุทธเจ้ามาพิจารณาที่พระมหาโมคลาฟังทาสี่เขาฟังกันยังไง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 นั้วก็อีกองหนึ่งคือริษารี่บทสิบห้าวันเป็นอรหันต์แต่สำหรับท่านที่มีปัญญาน้อยคือบริวารฟังเทศจบเดียวก็เป็นอรหันต์ใครควรตอนนี้ให้ดีนะค ร, รับค <c oughs> ือว่าเราบวยกันบวเพราะหวังคำว่านิพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตตวา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 เห็นว่าธาตุดินมันนันด่างกายมีธาตุสีเข้ามาประชุมกันนี่เป็นสมถะภาวนาแล้วก็รู้ว่าการประชมกันของมันไม่ใช่ประชมถาวร์ <c oughs> มันเป็นการประชมกันชั่วคราวมันสามัคคีกันชั่วคราวเท่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็คลายความสามัคคี ความเข้มแข็งของธาตุดินค่อยย่อยย่อนลงไปความอิ่มเอิบของธาตุน้ำย่อยย่อนลงไปความอบอุ่นของธาตุไฟย่อนลงไปความไหวไปมาของธาตุลมในการย่อยย่อนลงไปย่อนลงไปเท่าไรเราก็แก่มากขึ้นมาเท่านั้น นีเราเห็นว่าสภาพของร่างกายสุดสมนี่นแสดงว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันมีสภาพไม่เต็มร้อยเปอร์เซนในเมื่อเปอร์เซ็นต์มันลดลงไปเท่าไรความสุดสมของร่างกายก็มีมากเท่านั้นในที่สุดธาตุใดธาตุหนึ่งหมดสภาพถ้าธาตุดินหมดสภาพ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 มันยังจะมีความอุ่นพอสมควรถ้าธาตุน้ำน้อยลงไปธาตุไฟมันก็มีกำลังสูงความจริงกำลังมันเท่านั้นแต่ความร้อนมันก็สูงเพราะไม่มีธาตุน้ําม็นเครื่องต่อต้านจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคท้องร่วงมีความร้อนภายในมากนี่เป็นอย่างนี้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 เราดูตัวเราอาจจะไม่เห็นดูคนที่เขาแก่กว่าเราคนแก่ทุกคนเนะ่ยเขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนถ้าจะขอภาพถ่ายและภาพเขียนในวัยรุ่นและความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเห็นว่าท่านบนนี้มีร่างกายเ ป, ปล่งปรั่งสวยสดงงามมีความอิ่มเอิบสมบูรณ์บริบูรณ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 นี่จะเห็นได้ว่าร่างกายนี่มันไม่ทสงตัวเมื่อร่างกายไม่ทรงตัวเราก็พิจรารณาต่อไปว่าธาตุสีที่ประกอบไปด้วยอาการสามสิบสองในร่างกายนี้มีสภาพสะอาดหรือว่าสกปรกอันไม่ดูจาระปัสสวะน้ำเลือดตําเหลืองน้าหนองที่มีอยู่ในร่างกาย จะเห็นว่ามันสุกรกสิ้นดีเป็นที่รังเกจของเราตัวนี้สำคัญมากทาั้งหลายมันเป็นการทำลายราคะความรักให้พินาศไปจากจิตเป็นอารมณ์ที่จะเข้าถึงพระอนาคามีถ้าพิจารณาว่าร่างกายนี้มีสภาพมีอาการ32มสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตใส้ปลอดเป็นต้น อย่างนี้เป็นการพิจารณาธาตุสี่ด้วยแล้วก็เป็นการพิจารณาการส2ไปภในตัวถ้าเห็นว่ามันสุรกระบอกที่ชื่อว่ามีอสุภกรรมฐานประกอบถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นการตัดรายคะความรักที่มรายกฏในกิจ แต่ว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิติสอนกับพระโมคคลามุ่งเฉพาะวิปัสนา ญ, ญาณเป็นสําคัญองค์สมเด็จพระภกทธวันทรงแนะนําว่าเมื่อร่างกายรประกอบไปด้วยธาตุาสี่ธาตุสี่นี้เป็นเป็นเราจริงๆหรือมันเป็นของเราจริงๆริงหรือเปล่านิว่าเรามีในธาตุสี่ธาตุสี่มีในเรา นั่งพิจารณาดูว่าทาตศีเป็นเราเป็นของเราจริงหรือว่าเราเป็นท่าศีท่าศีเป็นเราจริงคําว่าเรามีความปรารถนาไหมที่จะให้ไม่แก่มีใครเคยนั่งภาวนาพิจรารณาไคร่ควนบนบานสัง่าว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 แต่ท่วงความคิดเห็นเขาบุคคลอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาวิปลาสแล้ว่าคนที่มีสติสมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เลยบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้นะสมเด็จพระเจ้าศรีสอนทั้งสมถะและภาวนาร่วมกัน เห็นว่าร่างกายเป็นในเพียงธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่เป็นสารพันธะภาวนานี่เรีองกันธาตุสี่เห็นว่าธาตุสี่มี่อาการสาสองไม่ใช่เป็นแท่งทิบนี่เป็นการพิจรารณาการสาิสองในร่างกายที่เรียกกันว่ากายยัคตานุสติเห็นว่าธาตุสีเต็มได้วยความสุกกระเบลโสม ม, มุมนี่เป็นอสุปรกรรมฐาน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 แล้วก็ว่ากันทีเดียวหลายๆอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโมคลาแต่เห็นว่าทาาศีทั้งหมดนี้เป็นของเป็นเธอหรือพระโมคลาก็ทรงต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่าเออถ้าว่าท่าศีมีในเธอเธอมีในท่าศีท่านก็ตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะ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 พระโมกข์คน ล, ลานะั่งกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าธาตุสีนี้เป็นสภาพเรือจ้างสําหรับที่ขี่ไปเพื่อข้ามมหาสมุทรเท่านั้นเมื่อบุคคลใดข้ามเรือจ้างหรือเรือลําใหญ่เรือลําเล็กก็าตามทีที่เต็มไปด้วยความสศกโศกสมมที่มีความกรรมเก่าข้ามข้าลงไปทุกวัน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 ยังผูกพันในความโกรธความพยาบามบจะมีความลหลงไหลฝ่ายฝันว่าสุสีทุกอย่างมันจะส่งตัวอย่างนี้ก็มีอุกมาเหมือนกับคนที่กำลังแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในที่สุดก็จะถูกสัตว์ร้ายในน้ำกัดกินให้สิ้นวายปล่านไปชั้นใด <c oughs>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 พระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายที่ประกอบพระนิทัศสี่อันเป็นร่างกายที่จิตใจเกาะ อ, อยู่ก็ดีร่างกายของคนและสัตว์ก็ดีนึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เราจะยึดถือเป็นสารณะพื้นที่เพื่งได้ <c oughs> เมื่อถึงการถึงสมัยมันก็ต้องสลายตัวไป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 กิจในที่ถึงพื้เธอมีความปรารถนาไว้ว่าเธอต้องการแดนอมตารไ อ, อความที่ไม่ตายเธอเข้าถึงแล้วคนที่ยังเกิดแล้วก็ต้องตายอยู่ก็เพราะว่ายังหลงไหลไฝ่ฝันในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราถ้ารรบปล่อยขันห้าได้เมื่อไรขนะนั้นเชื่อว่ากิจที่จะต้องตายไม่มีแล้ว อ ง, งสมเด็จพระบัณฑิแก้วจึงได้มีพระพุทธติการัทว่ามกคลานะเมื่อกิจใดที่เยพึงมีในพระพุทธศาสนากิจนั้นเธอเข้าถึงแล้วแล้วก็เธอก็จบกิจแล้วนี่หมายความว่าอ ง, งสมเด็จพระบัณฑิแก้วทรงตัดว่าพระมหาโมคลานะเป็นพระอรหันต์แล้วในการนั้น ให้ทรงตัดประตับไปว่าจิตอื่นในศาสนานี้ไม่มีต่อไปจบกันเพียงเท่านี้เมื่อองค์สําเร็จพระจินนสีทรงตรัสอย่างนั้นพระโมคคัลลาก็เห็นด้วยเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจของท่านเบาการที่จิตเข้าถึงอารา่าตผลนบรรดาท่านพุทธศาสนกชนและพระโยคาวาจรทางหลายคนนั้นมีอารมณ์เบา ทำว่ารมหนักเกาะนั่นเกาะนี่ห่วงนั่นห่วงนี่แม้แต่ชีวิตตินสีย่อมไม่มีสําหรับท่านพระอาหารหันต์แล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพิสุสมมณีนนทั้งหลายฟังแล้วก็จําจําแล้วก็หมั่นคิดจิตของท่านจะตัดลงไปทีละน้อยละน้อยอย่าเพิ่นนมบรร nam ตัวของเราเองว่ามันไม่สามารถจะทําได้ จงคิดไว้เสมอว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็มีอาการ32เหมือนเราพูดได้เดินได้เหมือนเราแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดที่จะตัดที่ะละอยู่ตลอดเวลาในที่สุดอารมณ์จิตก็ชินชินแล้วก็ปรากฏว่าเตจจิตก็ตัด ก, กิเลสไปสมทบทเฉียตระหานได้สําหรับเวลานี้ก็หมดเวลาเส็จแล้ว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 และใครควรพิจารณาภาวนาไปในพระกรรมฐานตามอัตยาสัยของท่านจึงกว่าจะได้เห็นเวล า, วาอันสมควรทันนี้ว่าสมควรมาไะไรก็เลือกได้แต่อัตยาสัยการแนะนำแบบนี้ไม่จำกัดเวลาที่ว่าเป็นความดีอาไรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้